ใหญ่เป็นวันพระขึ้นส5ห้าค่ำเดือนหตรงกับวันที่ห้าพฤษภาคมพุทธศักราช2555ถห้าสบห้าทาทุกปีถ้าไม่ใช่แปดสองหนวันนึกเป็นวันวิสาขาบูชาแต่ปีนี้เป็นแปดสองหนวันวิสาขาบูชาก็เลยไปเป็นเดือนหหลัง อีกหนึ่งเดือนจากนี้ไปเป็นวันวิสราคาบูชา15คหาค่ำถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ ก, ก็คือเดือน5แต่ถึงยังไงวันคืนเดือนปีก็เป็นเครื่องบอกกล่าวแต่ส่วนที่พวกเราจะทำคุณงามความดีนั้นทำวันไหนก็คือเป็นความดีทุกวันทุกเวลา เหมือนกระทำความชั่วทําความชั่วขึ้นมาเวลาไหนเป็นความชั่วจะทุกเวลาอีกเหมือนกันเหมือนกับเราจับไฟเราจะจับเวลาไหนกลางค่ำกลา ง, งคืนมันก็ร้อนเวลานั้นถ้าจับน้ําแข็งมันก็เย็นทุกเวลาอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําชั่วเวลาไหนก็ชั่วเวลานั้น ทำดีเวลาไหนก็ดีเวลานั้นเพรานั้นหลักของพระพุทธศาสนาเน้นเรื่องของกรรมคือการกระทำทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรแต่บางคนก็บอกว่าข้าพเจ้าไปทำความชั่วแต่ข้าพเจ้าได้ดีก็มีมากข้าพเจ้าไปป้นเขาไปขโมยเขาไปคดไปโกงเขา แต่ข้าพระเจ้าก็ได้เงินรวยมาแต่ถ้าว่าคนที่ชื่อตรงชื่อสัตย์จนก็มีตัเยอะแยะอันนี้คือการมองในปัจจุบันแล้วมองใกล้ๆแต่ถ้าว่ามองให้ยาวมองตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าตัวเองจะร่ำรวยขึ้นมาก็เถอะแต่อีกสักวันหนึ่งถ้าเขาจะได้ไล่ทัน หรือ ว, ว่าเขารู้จักการกระทำของตนเองนั่นแหละจะลำบากเมื่อภายหลังเหมือนกับขณะที่เรากินอสรพิษกินยาเบื่อเราก็คุยได้ขณะที่อสรพิทมันยังไม่ออกผลยังไม่ให้ผลพอดึงกินเข้าไปใหม่ๆเห็นไหมขากินอัอรพิทอิ่มท้องเห็นไม่เห็นมันมีอะไร แต่อีกสักหน่อยหนึ่งอสศรพิษนั้นพิษนั้นมันออกฤิ์ในเมื่อออกฤทินั้นเขาจะหมดหมดราคาคุยว่าค่าที่ทำออกไปนั้นเป็นยังไงนี้ก็เหมือนกันหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกท่านตรัสเอาไว้กรรมชั่วถ้าเราทำไปแล้ว กรรมชั่วนั้นจะให้ผลตามมาเมื่อภายหลังจะเดือดร้อนตนเองเมื่อภายหลังแต่ความชั่วจะทำซะเลยดีกว่าเมื่อทำไปแล้วจะเดือดร้อนเหมือนกับเราจับไฟจับไฟในที่แก้งก็ตามจับไฟในที่มืดก็ตามจับไฟในที่สาธารณะก็ตามเมื่อจับแล้วความร้อนของไฟจะให้ผลไม่เลือกการสถานที่ นี่แหละหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าการทําความชั่วนั้นจะให้ผลตัวเองเดือดร้อนตามมาเพราะฉะนั้นไม่ควรจะทํากรรมที่ไม่ดีทําแต่กรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีการทํากรรมทําได้สามทางกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมแต่บางท่านเขาบอกว่า การกรรมคำนี้อมันเป็นสองบางทีทํากรรมแล้วกรรมดีก็มีมากทาแล้วกรรมชั่วก็มีมากถ้าพูดถึงอดีตกรรมตามไม่จริงมันเกี่ยวเนื่องกันอดีตกรรมปัจจุบั น, นกรรมอนาคตมันเกี่ยวเนื่องทั้งสามอดีตกรรมก็คืออะไรถ้าเราเกิดมาเราขี้เกียจเรียนหนังสือเท่ากําทํากรรมไม่ดีเราขี้เกียจเรียนหนังสือเราไม่เรียนหนังสือ แล้วผลกรรมมันออกมาเป็นยังไงผลกรรมออกมาก็คือเป็นคนโง่ไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรทั้งหมดถึงจะฉลาดขนาดไหนก็เต๋อไอ้ตัวที่มันโง่คือมีอยู่ตัวหนังสือทุกตัวไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่านหนังสืออ่านว่าอย่างไงแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วเราอ่านหนังสือเราเรียนหนังสือเมื่อเรียนหนังสือจบแล้วอ่านหนังสือได้นั่นแหละคือกรรมการคือทำ การกระทําตัวนั้นไปน่าจะฐานที่ใดเราก็อ่านออกเขียนได้ศึกษาได้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษถ้าเรียนได้ทุกภาษาในโลกอันนี้แปลว่าเราทํากรรมเท่าเราทำกรรมในอดีตไปแล้วมาปัจจุบันนี้ก็ในขณะนี้เดี๋ยวนี้กรรมที่เราเรียนในอดีตที่เราเรียนหนังสือได้มันก็ส่งเสือมาถึงปัจจุบันขณะนี้ถ้าเราเรียนได้ดี กรรมจะนั้นก็สนองเรารู้ทั้งหมดเขาก็จัดว่าเราเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รอบรู้เป็นบัณฑิตพอเรารู้พอเราเรียนมาอันนี้แหละมันกรรมในอดีตจนถึงมาส่งถึงปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราก็ได้ดีเพราะอะไรเพราะเราทํากรรมในอดีตไปดีแล้วมันส่งผลใหมา ม, มาในปัจจุบันในเมื่อมาถึงปัจจุบันเราทํากรรมดีต่ออีกเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทขณะนี้เวลนี้เราคิดดีเราทําดีพูดดี ต่อไปในอนาคตวันพุน่งนี้มะลือนี้ก็ต้องดีเพื่ออะไรเพราะเราทําอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันตลอดอนาคตมันก็ต้องดีไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าเรามาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะเนี้ยโมโหกันขึ้นมาเอามีดไล่แทงหมูพวกเพื่อนอยู่เดียวเนี้ยเ อ, อป็นยังไงปัจจุบันแล้วอนาคตล่ะ เ, เราก็ต้องไปอยู่ในคุกในห้องขังตามโทษนั้น ถ้าฆ่าคนตายขึ้นมาตัวเองอาจจะโทษประหารก็ได้สิ่งเหล่านี้กรรมแปล ว, ว่าการกระทำการกระทำมันต่อเนื่องแต่ได้มาพูดถึงกรรมในอดีตเราจะไปทิ้งกรรมในอดีตก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ว่าท่านเกิดมาในชาตินี้ชาติเดียวท่านก็ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นปะไตยปิฎกก็ไม่สมบูรณ์พระไตยปิฎกที่พูดมาไม่สมบูรณ์เพราะหพอะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านได้สร้างบา ร, รมีมาสี่อสงไขยกําไรแสนมหากับแต่ละชาติท่านเป็นอะไรบ้างพระเวชจั้นดอนเป็นเทวบุตรอยู่ชั้นดุสิตจากนั้นกับพระเวทชั้นดอนตอนนั้นก็นเนี่ยสิบชาติเตมียะเตมีใบมโหสถ สุวรรณนัทสามโพลีทัศสิ่งเหล่านั้นเราปฏิเสธได้ไหมว่าอันนั้นคือไม่ใช่พระชาติของพระพุทธเจ้าถ้าว่ า, าใช่อันนั้นพระชาติของพระพุทธเจ้าวสวยพระชาติอันนั้นก็คืออดีตไม่ใช่หรออดีตคือการกระทําของพระพุทธเจ้าในอดีตในเมื่ออดีตดีแล้วท่านทําดีแล้วมันในปัจจุบันของท่านในชาตินั้นๆอดีตถ้ทําดี ต่อมาท่านก็นดีมาเรื่อยๆจนได้ถึงตัตสรระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้คือกรรมคือการกระทาทาดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่บางครั้งพระองค์เกิดขึ้นมาแล้วเกิดในชุมชนอยู่ในกลุ่มภาชนเกิดในยุคที่นกลุ่มชนทำความชั่วพระองค์ก็พลอยทำความชั่วกับเขาไปด้วยผลในสุดพระองค์ก็ตกนรก ก็มีมากต่อมากอย่างที่เกิดเป็นพระเตมีใบ้ทําไมพระองค์จึงไม่พูดจึงไม่ตรัสไม่พูดกับใครพระองค์เกิดมาเป็นเตมียะในชาตินั้นเขาก็ทํานายทายทักว่าเป็นปุริสาลักษณะรวบเป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้ทั้งพรามทั้งโหรเขก็ทายไว้หมดแต่ว่าพระองค์วันนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระบิดา ออกบัลลังก์นั่งตัดสินนักโทษมานั่งบัลลังก์แล้วเขาจูงนักโทษเข้ามาพอนักโทษเข้ามาพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องตัดสินเพราะอำนาจอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินเขาก็ให้การมาพอให้การเสร็จอ้าวนี่โทษประหารคนนี้อันนี้จองจำตลอดชีวิตอันนี้ลงโทษเขีียนร้อยทีการสุดแท้แต่เป็นความ ตัดศินของพระเจ้าแผ่นดินตอนนี้เตมิยะที่เป็นกุ ม, มาร น, นั่งอยู่ที่พระเพลานั่งบนตักอของพระบิดากําลังตัดสินคดีความอยู่เอแต่ตัวของท่านก็เล็กจริงแต่ว่าใจย์ของท่านใหญ่ท่านรู้หมดท่านโอ้ตายชาตินี้ข้าได้เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินแล้วข้าได้เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินแล้วข้าจะทํายังไง พ่อชาติที่แล้วเนี่ยข้าเพิ่งออกขึ้นมาจากนรกถ้าไปตกนรกถึง8ปดห 0,000 ื่นปีเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละเรื่องตัดสินคดีความนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคดีความนี้เป็นยังไงแต่เราก็ตัดสินด้วยความนึกคิดของเราเราไม่ถี่ถ่วนเราไม่ได้นึกถี่ถ่วนบางทีก็โทษประหารเมื่อโทษประหารคนดีบาปกรรมต้นนั้นมันก็ต้องมาหาเรา ทีนเราตกนรกถึงแปดหมืนปีข่าวนี้เราจะตกนรกอีกเหรือเนี่ยถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่ดินเราต้องตกนรกอีกแน่ๆเราเก็ตขยาดแล้วเรื่องตกนรกเน่ยเออนี่แหละคือเตมิยะนั่งอยู่พระเพาพระบิดาของพระองค์จากนั้นตะก่อนคือมารดาของท่านเป็นเทวดาสิงสถิตอยู่ในสเวีฉัตดคืออยู่ในพระราชวังนั้นพอเห็นพระพิตก วิตกกังวลของเตมีบ้ายเตมียะที่เป็นลูกในอดีตชาติท่านก็จำแรงตัวรียว่านิลมิตรให้เตมีเ ต, ม, เตมียะเห็นแต่ใครอื่นไม่เห็นเห็นแต่เตมียะคนเดียวเพราว่าท่านลูกเอ้ยอถ้าหากว่าหนทางที่จะหลีกเลี้หลีกเลี่ยงมัมีอยู่ ไม่ต้องคือเตมิยะในที่แล้วว่าจะกัน้นใจตายนะอดใจตายให้ตายไปเลยไม่อยากจะมาเกิดแต่แม่นี่บอกว่ามีหนทางลูกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกอย่าร้องให้อย่าแสดงความเป็นคนมีสติมีปัญญาลักษณะธรรมเป็นง่อยเปียบ่ายที้ไรนทางอีกข้างหน้าจะประสบสำเร็จถ้าว่าลูก แสดงตนเป็นคนธรรมดาเหมือนกับผู้ทั่วไปแล้วลูกไม่แค้วจากนรกอีกอย่างเก่าจะต้องได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าหากพาลกูกทําเป็นง่อยเปี้ยไปซะไม่พูดไปซะเป็นคนพิการไปซะเแล้วจากนั้นไปจะหาช่องทางออกไปบวชได้นะลูกนั่นแหละตั้งแต่บัตรนั้นมาเตมีใบถึงจะหิวนมถึงจะอยากอาหาร ถึงจะเป็นยังไงก็ตามจะไม่พูดเป็นคนบ่อยใบไปหมดเป็นคนพิกงพิการเอาไปนั่งที่นี้ก็นั่งอยู่ที่นั่นจะไม่เดือไปที่ไหนตากแดดก็ตากเมื่อตากแดดเขาบอกเขาไปถามไปตากแดดแดดมันร้อนจะว่าอย่างไงทดลองเลยสิเตมีใบเขาบอกว่าร้อนในเมืองมนุษย์อย่างสู้ร้อนในนลรลกไม่ได้ในนลรลกรล้อนกว่านี้ เพราะนั้นทำไมเราจึงอดทนไม่ได้ร้อนเพียงแค่นี้แต่ถ้าว่าเขาไปนั่งที่มดกัดมากๆนะแต่ตมีใบกคนนั่งอยเอ้ ย, อยขนาดเขี้ยวหมดนะ่ะมดมันกัดนะ่ะมันเคี้ยวมันน้อยเดียวแต่หอกแห ล, แลนเะหลาในนรกนะ่ะที่เขาทิ่มแทงที่เราทํากรรมไม่ดีไวนะ้น่ะกว่านี้ฮให้ข้าวบอกเห็นนรกนะเป็นพิษเป็นภัยอย่างมากเพียบกับการทุก ในเมืองมนุษย์ที่เห็นทุกๆอยู่านี่แ น, น่อยเดียวนี่แหละอันนี้แหละคือกรรมในอดีตพระองค์เห็นเห็นกรรมจากนั้นพระองค์ก็ได้เมื่อใหญ่ขึ้นมาก็ได้เออหลีล่ยนหนีออกไปบวชได้นี่แหละอันนี้คือชาตินั้นเป็นชาติหนึ่งที่พระองค์ไปบําเพ็ญอยู่ในป่าจากนั้นก็ได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมไม่ตกนรกนะนี่แหละ อันนี้คือคือสรุปแล้วคือกรรมในอดีตรพระองค์เคยผ่านมาแล้วเคยสั่งสมบา ร, รมีมาแล้วก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นี่พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอันนี้คือกรรมในปัจจุบันอดีตกรรมปัจจุบันนักกรรมอดีตกรรมคือการกระทำในอดีตคำว่าอดีตคำนี่คือขนาดไหนจ้าวอดีตคาพูดที่ยังไม่ถึงยังไม่ได้พูด อันนั้นคืออนาคตคําพูดคํานี้แหละเป็นคําพูดปัจจุบันแต่พูดผ่านมาแล้วเนะ่ยเป็นอดีตไม่รู้ว่ากี่คําที่เป็นอดีตไม่ต้องพูดถึงเมื่อวานอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนอันนั้นมันยืดยาวสรุปแล้วก็คือเราพวกเราอยู่ในอดีตปัจจุบันแล้วก็หวังอนาคตถ้าเราทําดีอนาคตก็ต้องดี ถ้าเราทำชั่วอนาคตก็ต้องมืดบอดเหมือนกันวันนั้นหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราพุทธบริษัทสให้ทำแต่กรรมดีอย่าไปทำกรรมชั่วเมื่อเราทำกรรมดีแล้วกรรมดีจะให้ผลกรรมดีสำหรับกรรมดีนั่นคืออะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเราจะไม่ฆ่าสัตว์คือศีลห้าเขามาศีลห้า กายกรรมไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่ดื่มสุรามโนกรรมวจีกรรมคืออะไรวจีกรรมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียบไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพ้อเจอมโนกรรมนั่นคืออะไรไม่โลภอยากจะได้ของเขาไม่พยาบาทปองไล่เขาไม่เห็นผิดจากทานองครองธรรม อันนี้ก็คือการกระทากรรมทำได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่มโนกรรมในหลักของพระพุทธศาสนาไม่ผิดวินัยไม่ผิดศีลคิดเฉยยังไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมธรรมในละเอียดกว่าละเอียดกว่าศีลธรรมศีลและธรรมธรรมคือคิดเฉยมันก็เป็นบาปเป็นบาปยังไงคือมโนมโนกรรม โลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทานองครองธรรมในเมื่อมนโนกรรมคิดแล้วมันไปในทางที่ไม่ถูกแล้วมันก็ปล่อยออกไปทางกายโคโลภจะได้ของเขาแล้วทํำยังไงมันโลภแหละก็หาวิธีจะทํายังไงจึงจะเบียดบังเอาของเขาได้จะขมโมยหรือจะปล้น หรือจะจับไปเรียกค่าไทยหรือจะทำยังไงหรือจะฆ่าเขา เ, เรียกว่าเขาโง่เราจะใช้ชั้นเชิงอันไหนที่จะเบียดบังเขาได้เพราะเรามีความโลภอยู่ในใจนะในเมื่อเรามีความโลภแล้วการกระทำออกไปของเรามันก็เป็นความโลภแสดงออกไปทางกายผิดวินัยและพอดีผิดสินแะเวลาพูดออกไปก็ผิดค่ายๆมาพูดกล่อมให้เขาเชื่อ และทั้งที่อยากจะโลภอยากได้ของเขาพูดให้เขาเชื่อถือถ้อยคําจนเขาหลงไหลกับถ้อยคำํำพลให้ฉุดเอหักหลังเขาคดโกงเขาเมื่อเขาเชื่อถือถ้ อ, ถอยคําแล้วเอให้เขาเซ็นสั้นลงสัญญาเซ็นอะไรให้เรามอบอะไรให้เราทั้งที่เราาจะว่าจะซื่อสัตย์สุจริตอย่า ง, งนี้ะแต่พอเขาเซ็นอะไรให้แล้ว่ะคดโกงเขาเบียดบังเอาของเขาอันนี้คือใช้วาจาตะล่อม เรื่องใช่วาจาจักยอกให้เขาเชื่อถือเนี่ยอันนี้เราว่ามนโนกรรมผิดศีลแล้วแต่ในใจคิดเฉยยังไม่ผิดแต่ว่ามันต้องออกมาจากใจซะก่อนในเมื่อใจคิดไม่ดีการกระทําออกมาก็ไม่ดีการพูดออกไปก็ไม่ดีนี่แหละท่านจึงว่าท่านจึงล้อมข้อก็ไว้ว่าศีลคือกดระเบีย คนเราต้องเป็นผู้มีศินถ้าหากว่าไม่มีศินไม่มีรั้วกัน้นไม่มีรั้วรักษาเอาไว้การกระทําออกไปมันก็ทําตามอัธยาใจทําตามอําเภอใจเดือดร้อนไปหมดบาปกรรมก็จะเข้ามาสู่จิตใจของเราเพราะเราไม่มีสินฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเขา เขามาฆ่าพี่น้องพ่อแม่ของเราเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเราประพิตไม่เคารพสิทธิ์ของเขาในสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขาไม่เคารพในสิทธิ์ภรรยาลูกหลานของเราสามีของเราภรรยาของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรแล้วเราโกหกต้มตู๋นหลอกลวงเขาเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเรา มีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปดื่มสุราดื่มสุราเมาแล้วคันช้า ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนเมาแล้วขาดจิติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดจิติไม่มีใครรับประกันนะแต่คนขาดจิติจะไม่ทําความชั่วเสียหายเมื่อขาดจิติแล้วฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้สามีภรรยาของใครไม่เคารพทั้งนั้นจะทําอะไรก็ได้เพราะมันขาดติตีกาวมูสา โกหกใครก็ไดอีกนี่แหละศิลห้าของพระพุทธเจา้าอันนี้กะให้สําหรับศินห้านี่คือของขายสินของฆราวาสอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกานั่นคือใครโยมผู้หญิงโยมผู้ชายคือศิลห้านี่คือพระพุทธเจา้าบัญญัติให้โยมผู้หญิงโยมผู้ชายเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รักษาศิลสิบเป็นศินของสัมมาเน ที่เขามาบวชเป็นลูกของพระศินสองรีเป็นเรื่องของพระสงฆ์จะต้องรักษาอันนี้คือศิลรีิบเน 7, นะี่ยอันนี้คือกฎละเปียบการอยู่ด้วยกันของหมู่สงฆ์ถ้าสงฆ์ไม่มีสินอยู่ด้วยกันคารวะญาติโยมไม่มีสินอยู่ด้วยกันจะไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันจะเป็นที่ลังเกียดเดียดสันกันก็าอะไรอย่างพระสงฆ์อยู่ด้วยกัน ในต่างคนต่างไม่มีศิลและเป็นยังไงจะไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่างไรนี่แหละศิล น, นี่เป็นเครื่องอบอุ่นทางด้านจิตใจเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันคือศินแต่เรื่องธทรำรสมาธิทำนั่นคือสมาธิใจที่จะมีทำได้เพราะอะไรต้องมีสมาธิที่จะบังคับจิตใจให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในศินและทำได้ ต้องมีสมาธิก่อนที่สมาธิจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันต้องฝึกสติฝึกฝนสติแล้วสติของเราจะดีได้ต้องทําอย่างไรจะทํายังไงจึงจะมีสติแล้วมันเกิดขึ้นมาลอยๆอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะใช่บางทีคนที่มีสติเผลอๆขาดสติสติเลื่อนลอยก็มีตัวอมตัวมากสติที่จะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ต้องฝึก วิธีฝึกสตินั้นคืออะไรในหลักทำคําสอนของพระพุทธเจา้าท่านให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นนี่แหละพิธีฝึกไปทำไมถ้ามันฝึกเข้าไปมันยังเผลอเผลอก็ตั้งสติให้เข้มแข็งอีกให้อยู่กับตัวเองเดี๋ยวนี้เราอยู่ในอริยบทไหน ดูตัวเองจากนั้นก็นดูให้มีสติมันยังเผลอมันเผลอไปไหนมันเผลอเพราะอะไรที่หลวงพ่อบอกว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้งสี่สบกรรมฐานให้บริกรรมพุทธานุสติธรรมานุสติสังคาชีดาจาคาเทวตามรณะอานาปานสติอุปสมานุสติและลึกถึงคุณของพระนิพพานอุปสมา อนาปาณสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานให้พวกเราปฏิบัติเรียกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นเครื่องบริกรรมมีอยู่สี่สิบอย่างสี่สิบอย่างนั่นไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะอย่างมากกว่านี้อีกอมีมากมายที่จะทำจิตใจให้สงบอันนี้เพียงพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าเป็นแนวทางเป็นพื้นฐาน สำหรับให้พวกเราปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อแนะนําว่าแต่หลวงพ่อมั่นใจหลวงพ่อแนะนําไม่ผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ขีดเป็นขอบเขตเอาไว้ว่ากรรมฐานสี่สิบเท่านี้นะถูกต้องถ้าใครทํานอกจากนี้ไปผิดหมดท่านก็ไม่ได้ว่าแต่หลวงพ่อแนะนําว่าถ้าว่าภาวนาถ้ามันยังเผอลอไผลไปอยู่ กำหนดลมหายใจเข้าออกมันจะมีช่องว่างให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ทีให้ใจบริกรรมให้ใจของเราน่ยความรู้สึกนึกคิดของเราน่ยให้บริกรรมให้ทีอย่าให้มีช่องว่างให้พุทโธพุทโธอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ตอกจากนั้นมาทดลองให้นับตรงพ่อแนะนําให้นับดูนับยังไงหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสาสี่ห้าห คือให้มีสติให้เข้มแข็งในขณะที่นับจนถึง 100, รอ้อยเผลอไหมคำว่าเผลอนี่คืออะไรคือเผลอเนี่ยมันมันนับไปเรียงลาดับไปหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองสามสี่ห้าหกเวลาหายใจเข้าเป็นเลขขี่หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี่คู่ขี่คู่ไปถึงร้อยเราเผลอไหมถ้ามันเผลอเบอร์ หายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่อันนมันเผลอละมันขาดสติตั้งใหม่ให้ตั้งต้นใหม่ให้เข้มแข็งขึ้นอีกนี่แหละวิธีการฝึกสติในเมื่อเราฝึกนับไปแล้วไม่เผลอเลยสติอยู่กับตัวเองขาขวาพดขาซ้ายโถสิ่งเหล่านี้นั่นแหละคือการฝึกสติในเมื่อเราสติเข้มแข็งสติของเราดีแล้วฝึกดีแล้ว จิตอยู่กับตัวเองแล้วจิตมั่นคงแล้วนี่แหละกำหนดดูจุดไหนมันอยู่จุดนั้นพอมันอยู่จุดเน่งมันไม่เผลอไม่ไผ่ถึงจิตก็จะเข้าสู่ความสงบจิตไม่ออกไปข้างนอกจิตไม่หิวจิตไม่โหยจิตไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านออกไปข้างนอกจิตอยู่บังคับให้อยู่พออยู่จิตอยู่รวมสงบเป็นพื้นฐานจากนั้นก็นามาพิจารณาทางด้านปัญญาถอดออกมา ไม่ใช่ให้อยู่เฉยๆนะท่านี่ถ้าว่าจิตสงบรวมแล้วไม่ได้พิจารณาทางด้านปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนเราเข้าไปในห้องแอร์แล้วก็เป็นนอนหลับกูยอยู่นั่นอะ่ะมันไม่ได้ผลงานอะไรเออมันไม่ได้ผลงานมันไม่รู้อะไรเพราะนั้นเราในเมื่อไปพักผ่อนได้กำลังพอสมควรแล้วผ่านการก จ, จิตใจผ่านความสงบแล้วนามาพิจารณาทางด้านปัญญามาอ่านหนังสือก็อ่านได้ชัด มาเขียนหนังสือก็เขียนได้มาท่องหนังสือก็ท่องได้จําได้เพราะอะไรเพราะว่าเราผ่านความสงบความนิ่งมาแล้วมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วจากนั้นนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคืออะไรคือวิปัชนาวิปัชนาก็คือวิปัชนึกนึกคิดดูร่างกายของเราเนเกสาโลมานขาทันตาตะจู ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยอาการสามสิบสองธาตุสาทยายอาการสามสิบสองพอดูแล้วใครเห็นในร่างกายของเราเนี่ยมีตับมีปอดมีลำไส้มีอาหารใหม่มีอาหารเก่ามีเลือดมีสเเลตในร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมใจใจผ่านความสงบแล้วจะเห็นได้ชัดในเมื่อเห็นกายร่างกายเนี่ยดูนะใจนะ อีกสักวันหนึ่งนะเห็นไหมตะก่อนเราเป็นเด็กใช่ไหมแต่บัดนี้เราขนาดนี้อายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราอายุเท่าไหร่ผมเราขาวแล้วจะไหมฟันเราโยกหอแล้วจะไหมฟันเราหลุดแล้วจะไหมตาเราฝ่าฟางแล้วจะไหมหูเราตึงแล้วจะไหมหนังเราเหี่ยวแล้วจะไหมมันไม่เหมือนตะก่อนใช่ไหมใจใจมันก็ยอมรับวาใช่มันไม่เหมือนตะก่อนแต่ e ja me, มั่นใจไหมว่าจะอยู่ไปเท่าไหร่ ตัวเองจะไม่แก่อย่างนั้นใช้ไมใจไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันต้องแก่ไปเรื่อยๆแก่ไปแล้วมันไม่ตายใช่ไหมใจใช่แก่ไปแล้วก็ต้องถึงจุดจบไม่มีใครที่จะอยู่หมื่นปีแสนปีได้อีกสักวันหนึ่งตายแน่ตายแล้วมันเป็นยังไงตายแล้วก็ต้องไปเผาไฟทิ้งถ้าเก็บไว้มันเหม็นอย่างน้อย ก, ก็ไปฝังถึงจะรักขนาดไหน พอใจขนาดไหนรักขนาดไหนสุดอกสุดใจขนาดไหนเ อ, อถ้ารักเท่าไหนก็ยิ่งเผาให้ไหมให้ไหมให้มากเรักเท่าไหนก็ยิ่งไปฝังในหงสุ้ยอย่างดีไม่ใช่เอามาไว้ที่บ้าน่ะมันเหม็นใช่ไม้ใจเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้คือถามใจตัวเองใจตัวผู้รู้ที่ผ่านความสงบมาแล้วนั้น นั่นแหละวิธีการเดินเดินวิปัสสนาเดินอย่างนี้จากนั้นเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจขนาดร่างกายว่าเป็นของเรามันยังไม่ใช่ของเรานะเพราะนั้นตะแก่อย่าไปหลงนะใจนะอย่าไปหลงลาบยศชนะเสริญเกหสถานบ้านคนตัวเองลูกสามีภรรยาญาติโกโหติกาใครๆก็ตามอันนั้นเป็นเครื่องพึ่งพาอาศัยกันชั่วครัง้งชั่วข่าวเท่านั้น อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งเขาไม่ทิ้งเราเราก็ทิ้งจากเขาใจนะอย่าหลงนะอย่าไปหลงในสิ่งภายนอกนะใจนะจากนั้นใจก็มองเข้ามาหาใจแต่ขนาดร่างกายเราแท้ๆออมาจากท้องแม่แท้ๆเราก็ยังได้เผาไฟทิ้งแล้วของอย่างอื่นละ่ะเราจะไปยึดว่าเป็นของเราอยู่ใช่ไหมใจนี่แหละ เมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วกายคือกายใจคือใจใจคือนามธรรมร่างกายคือรูปประธรรมถ้าเห็นชัดเจนทั้งกายทั้งใจใจและกายกายและใจสรุปแล้วก็คือร่างกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนขับรถเราเห็นคนขับรถคนขับรถสอนคนขับรถคนขับรถเตือนคนขับรถค่าเป็นโชเฟอร์นะาแต่จะไปหลงกายนะ อีกสักวันหนึ่งนะรถคันนี้นะมันจะต้องพังนะ เ, เดี๋ยวก็ใช้ไปนานๆาก็ไปลูกสูบมันติดนะ เ, เดี๋ยวก็เกิดสนิมนะไม่ถึงทิปียี่สิปีนะรถนะเดี๋ยวก็ไปทิ้งในพงหญ้าใช่ไ้ยใจเดี๋ให้โชเฟอร์ต้องคิดไว้ในเมื่อเอาไปทิ้งในพงหญ้าแล้วเราจะหาเงินที่ไหนมาซื้อรถคันใหม่อีกล่ะเราได้เตรียมการไว้แล้อยังใจโชเฟอร์ก็จะต้องเตรียมเงิน ต้องเตรียมหาเงินเตรียมไว้ซื้อรถคันอื่นต่อไปถ้าหาว่าเาจะอยู่ในโลกอย่างพระพุทธเจ้าพระหันตตสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเอ้ยใจแอยอย่ามาเกิดอย่ามาซื้อรถอีกเถอะไปไปอยู่ที่สุขสนุกสบายกว่านี้มันมีมีช่องทางอยู่เนี่ยจะต้องตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจจะต้องไม่มาเวียนว่ายตายเกิด ทางว่ามาซื้อรถอีกมันก็จะต้องอพังอีกอย่างเก่าที่แหละไม่มีที่สิ้นสุดน่าใจนะมันมีช่องทางอยู่นะให้เราศึกษาใจนะในเมื่อเราได้รับธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับการสั่งสอนจากท่านผู้รู้แล้วเราก็ดูใจนั่นแหละวอรู้ใจก็ปล่อยที่ใจวางที่ใจใจก็หลุดพน้นจากอาสวะกิเลสมักผลนิพพานไม่ได้หาที่ไหนมันอยู่ที่ใจสรุปแล้ว ไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ในที่อื่นนี่แหละมรรคผลนิพพานหาแสวงหาพระนิพพานหรือว่าที่จะตัดกิเลสภายในใจตัดกิเลสตัดภพตัดชาติมันได้ตัดที่ไหนตัดที่ใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจใจนั่นแหละที่หลงนั่งเรื่องทั้งหลายทั้งปวงใจนั่นแหละเป็นที่รู้แจ้งรู้จริงจากนั้นก็ปล่อยวาง ที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ น, นี้เราพิธีการเดินมักเดินผลมันเป็นมาตสินเนี่สํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินสินห้าหือสินคารวาสสินสมานเณรสินสองร้ ย, ยีบิบเจ็ดือสินพระเมื่อเรามีสินแล้วเราจะนั่งภาวนาบริกรรมอันไหนใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้เพราะ เราไม่วิตกกังวลเพราะเราเป็นผู้มีศินแล้วแต่เราไม่เป็นผู้ไม่มีศินล่ะจะนั่งภาวนาได้ได้ไหมได้แต่บางครั้งถ้าเป็นผู้มีศินแล้วจะดีกว่าพอเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ถ้าเราไปฆ่าเข้ามาหยกเอกแล้วจะมานั่งภาวนาลแล้วเป็นยังไงจใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้ไหมไม่ได้ไปขโมยเข้ามาเอาไปผิดลูกสามีภรรยาของเขามาแล้วเป็นยังไง ไปโกหกเข้ามาแล้วจะมานั่งภาวนามันเป็นยังไงมันเป็นได้ยากแต่ถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วรักษากายวาจาเป็นผู้มีสิทธ์อยู่แล้วนั่นแหละมานั่งภาวนาจิตจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตสงบแล้วนํามาพิจารณาร่างกายของเราเมื่อพิจารณาร่างกายจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรา พ่ามันผ่านความสงบมาแล้วมันเห็นได้ชัด เ, เห็นได้ชัดปักกายกับใจใจกับกายกายกับใจพขอยพวกเราทุกทกท่านนะนี่แหละวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแนะนำสั่งสอนมานี่แหละวิธีเดินมรรคเดินผลวิธีการจะทำจิตใจให้สงบทำวิธีอย่างไร าตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะช่วงระยะหนึ่งค่อยเลือกแยกย้ายกัน